นะโมตัสสะพะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพปะป a ปัสสะอาการนังกุสารัตโซปะสัมป a าสัจิตตปริโยดาปานัง เอตังพุทธานัสสนาติติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเป็นวันมาฆบูชาปีพุทธศักราช 2,555 วันนี้เป็นวันที่7มีนาคมพุทธศักราช 2,555 ถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งทําไมจึงถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่ง เพราะว่าวันนี้พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์พันสร้อยรูปไปชมกันอยู่ที่วัดป่าเวลวันกรุงราชคฤห์วัดป่าเวลวันเป็นวัดที่พระเจ้าพิมพิสารถวายพระพุทธเจ้าเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์เมื่อมาอยู่ที่วัดป่าเวลวันแล้ว ก็ได้ออกประกาศเผยแผ่ธรรมะทรรมคำสอนไปทุกหัวแห่งในสมคูทวีปในประเทศอินเดียจากนั้นพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต่างก็ออกมาบวชในพระพุทธศาสนาไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรทุกคนทุกระดับชั้นที่บวชในในครั้งพุทธเจ้า ที่ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความศรัทธาจากนั้นเมื่อเข้ามาบวชอันดับแรกพระพุทธองค์ก็เป็นผู้องค์เป็นองค์บวชให้ให้พิษุท์ทั้งหลายอย่างพระอัญญาโกณทัญญะวะปะพัทิยะมาหานามัจจชิคือปัญจวัคคีย์ทั้งห้าพระพุทธองค์เป็นองค์บวชให้พ อ, อัญญาโกณทัญญะได้ฟังธรรม เกิดความครบนับถือเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สำเร็จพัสดาบันก็นในขณะที่ฟังเพระพระัญญาโกนทะยะท่านได้รู้ธรรมเห็นธรรมตรงที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาอันนี้คือท่านเห็นอนิจจังของไม่เทีย่ยงจากท่านจิตของท่านก็ได้สาเร็จพโสดาบันขึ้นในขณะนั้น เมื่อสำเร็จพระโสดาบันแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสรับรองว่าอัญญาสิวัตโภโกลทันโยโกลทัญญะรู้ธรรมแล้วหนอเห็นธรรมแล้วหนอจากนั้นพระอัญญาโกลทันยะก็ขอบวชพระองค์ก็ให้บวชว่าเอหิภิกษุอุปสัมบทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดรำและวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วจากนั้นพระอัญญาโกณทัญยะท่านก็บวชในพระพุทธศาสนาเป็นองค์แรก อันนี้ก็คือบวช ด, ด้วยเอหิพิคุจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายพระลูกศิษย์ทั้งหลายไปแสดงธรรมไปโปรดใครก็นำมามาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้บวชให้พระสงฆ์ในยุคนั้นสมัยนั้นมากพอสมควรจากนั้นพระองค์กบอกว่าเมื่อพระสงฆ์มามากให้พระสงฆ์บวชเองบวชด้วยกล่าวถึงสาระพุทธทางธรรมังสังัง สาระนางคัาชฉามิถึงสามครั้งก็กลายเป็นอันว่าบวดพระพอต่อมาพระสงฆ์มากขึ้นไปอกีกก็ตั้งกฎระเบียบขึ้นมาอกีกให้แน่นหนาเข้าไปจึงว่าเอสาหังพันเตอันนี้เป็นบวชครั้งที่สามพระสงฆ์สวด ร, รับรองสวดเจติจจตุธกรรมรับรองพระสงฆ์ยังได้บวชเว่าะบวช ด, ด้วยพระสงฆ์ อันดับแรกคือบวช ด, ด้วยเอหิพิกขุ่นเนี่ยอันนี้หลวงพ่อจะมาย้ําเรื่องด้วยบวช ด, ด้วยเอหิพิกขุ่คือพระที่มาประชุมในวันนี้เมื่อ2555ปีที่ประชุมที่วัดป่าเวลุวันในวันนี้ตอนบ่ายพระสงฆ์เหล่านั้นล้วนแล้วจะเป็นเอหิพิกขุ่นคล้ายๆว่าบวชเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นองค์บวชให้เองทั้งหมด พระพันสอร้อาโลกมาไปชมกันเมื่อตอนบ่ายเมื่อไปชมในวันนี้เมื่อ2555น้ปีเมื่อไปชมแล้วพระพุทธองค์ก็ได้แสดงพระปฏิโมกข์หรือว่าวันหยัดวินยัยจึงถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งเป็นวันประกาศและวังฝังลากลึกฝังกฎระเบียบไว้ในพระพุทธศาสนาถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนเมืองไทยของเราก็ว่า เป็นวันประกาศรัฐธรรมนูนปกครองประเทศแต่นี้พระพุทธองค์ได้ประกาศพระธรรมวินัยเพื่อป ก, ปกครองสงฆ์ในวันนี้จึงถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งจากนั้นพระองค์ก็ได้ประกาศเพื่สวดให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติสิงสรี่สิบข้อแต่ก็เพิ่มเติมต่อภายหลังก็มีแต่เบื้องแรกก็ได้แสดงให้แก่พระสงฆ์ เป็นผู้ศึกษาจากนั้นก็ได้สวดให้พระสงฆ์ได้ฟังจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นำพระธรรมคําสอนหรือว่าพระวินยัยมาสวดทุกกลึงเดือนคือ15วันจะมีการสวดพระปฏิโมก ค, ครั ง, ห น, งหนึ่งคืออ่านกฎหมายเรือว่าป ร, ประกาศกฎหมายและว่ากประกาศหลักพระธรรมวินยัยให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้รับรู้รับทราบอันนี้ก็คือวันนี้ถือว่าวันเป็นเป็นวันสาคัญ ยิ่งในพะพุทธศาสนาจากนั้นพระสงฆ์เมื่อได้ศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติมีกฎมีระเบียบสินส2งรีจข้อจากนั้นก็มีสินอภิสมาจารย์บัญญัติเพิ่มเติมที่เป็นกริยามา ร, รยาทของพระสงฆ์ในยุคสมัยนั้นจนมาถึงยุคสมัยนี้ถ้าพวกเราได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เราจะเห็นว่าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าสั่งจริงๆสอนทุ ก, ท ก, ท ก, ทกสิ่งทุกอย่างสอนกระทั่งการอยู่การกินเราจะไม่ฉันดักจับหลังจับเราจะไม่ฉันทางสูดเราจะไม่สันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากเราจะไม่ฉันทํากับพุ้งแก้มให้ตุยเราจะไม่โยนคําข้าวเข้าปากเราจะไม่เอาน้ำํำล้างบาตรเทมเมล็ดข้าวลงในบ้าน อันนี้คือพระวินัยของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือศินสองร้ยยี่ส็คือเนี่ยที่หลวงพ่อพูดขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือสินของพระทั้งหมดพระพุทธเจ้าบัญญัติละเอียดถี่ถ้วนในการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ถ้าว่าพระสงฆ์อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ในพระวินัยแล้วพระสงฆ์เหล่านั้นกลุ่มนั้นองค์นั้นเป็นพระสงฆ์ที่อยู่หน้าเคารพน่า น, นับถือหน้าเลื่อมใส เพราะเหตุไรเพราะท่านอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ในกรอบไะแต่ถ้าองค์ใดไม่อยู่ในกรอบท่านบอกว่าพระทิกษุสง์ไม่อยู่ในหลักไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยแต่ว่า阿拉ชิตาเป็นผู้ไม่มีความละอายไม่มีความละอายต่อความชั่วเออนี่แหละอันนี้พระพุทธองค์ท่านประนามนะถ้าใครทําไม่ถูกต้องตามหลักหลักพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นวันนี้แหละเป็นวันที่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระธรรมวินัยแต่ว่า หลักพระธรรมนีน่หลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านประมวลลงมามีอยู่สามอย่างอย่างที่หลวงพ่อยกเป็นพุทธภาสิทธเป็นพระบาลีเบื้องต้นว่าสัปปะปาปัสสะาการะนังการไม่ทำบาป ท, ทั้งปวงหนึ่งกุสาลัตสูปสัมปดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสจิตะประโยชนรพา น, นัง การทําจิตใจให้ผ่องใสผ่องแผ้วหนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังนี้แหะคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่านี่แหละคือทำคําสอนของเราตถาคตนะพูดอย่างนั้นก็ถูกต้องนะุปแล้วก็คือหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติไว้8ปดหมพันพระธรรมคัมภ์เนี่ยย่นย่อออกมาคือสมีสามมีสามประเด็นคือสัพปาปัดสะอาการัง การไม่ทําบาปทั้งกายทั้งวาจาและทางใจเนึ่งเ อ, อคือสิ่งไหนที่มันเป็นบาปอย่าทําสิ่งไหนที่เป็นความชั่วอย่าทําความชั่วนั่นแหละคือบาปกุศลสูปสัมปดาสิ่งไหนที่เป็นความดีสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลคือสิ่งไหนที่เป็นคุณดีความดีอันนั้นควรจะทําอันนี้เราว่ากุศลสูปสัมปดาสะจิตตะประโยดปานังการทําจิตให้โปรงใสล ทำจิตใจให้เบิกบานทำจิใจให้มีความสุขทำจิตใจให้มีเหตุมีผลเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจให้จิตใจของเรามีธรรมะให้จิตใจของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั่นแหละอันนี้จะว่าสิจจิตตะปริโยร์ปานังเอตังพุท ธ, ธานะสาสนังนี้แหละคือทำคําสอนของเราตถาคตเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเราให้ตรวจตราดูตัวของเราเองทุกคนทีเดียเออ การคิดของเราเราคิดไปในทางไหนคิดไปทางโลภทางโกรธทางหลงราคะโทสะโมหะอย่างไรหรือเราคิดเป็นบุญกุศลเราน้อมจิตท้อมใจไปเพื่อการกุศลทั้งหลายทั้งปวงหรือจิตใจของเราเดี๋ยวนี้คุณขุดขัดข้องคุณมัวอย่างไรโมโหโกธาให้แก่ใครบ้า ง, งเนี่ยจริงตอนี้เราอยากจะให้พวกเราทบทวนดูใจของพวกเรานี่แหละอันนี้พวกเรามาเห็นพุทธสีหาสายญาต หรือว่าพระพุทธเจ้าปางปรินิพานปางปรินิานคือปางปางนอนปรินิพานคือต่ปางที่พระองค์ละขันละสังขารคือตายกูดภาษาบ้านเราหรือว่าปางปางสีหไซยาคือปางนอนพระพุทธองค์ก็บรรทมเหมือนกันนะนอนเหมือนกันเพราะท่านมีธาตุสีดินน้ำลมไป ก, เ ก, ก, เกนนเ็เหมือนกับพวกเราท่านก็มีนั่งมีนอนมียืนมีเดินเหมือนกับพวกเราเนี่แหละแต่นี้ท่านกระทำ สีหาสายญาติตนอนอ น, นอนตะแคงขวานี่แหละเพราะพุทธเจ้านอนนอนตะแคงขวาอย่างนี้แหะคือเอามือและประหัดเท้าเนี่ยจ้อนกันยังไงแขนขว า, าทบขึ้นมายังไงแขนซ้ายเหยียดไปยังไงอันนี้ก็คือปางสีหาสายญาตหรือปางปรินิพานแต่ที่มาพูดถึงปางปรินิพานเลยเพราพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพาน ที่เมืองกุศินาราที่กรุงกุศินาราเมืองกุศิรักุศินารามันรักษย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นไปไปเห็นที่สถูปสถูปที่เมืองกุศินาราสถานที่พระพุทธเจ้าประนิพานที่ประชุมศัลีละของพระพุทธองค์ที่ถวายพระเพลงิงพระศีลีละของพระพุทธเจ้านี่แหละเมืองกุศินารา เพราะพระเจ้าของเราไม่ใช่เท ว, วดาไม่ใช่เทวบุตรไม่ใช่ผู้ศักดิ์สิทธิ์มองไม่เห็นตัวไม่ใช่เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ว่าใจของพระ อ, องค์แต่ว่าพระ อ, องค์เป็นผู้ได้ตัดสรูุ้ทธ์เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระ อ, องคอ์ได้ตัดสรู้ <Walking. S 2> ถ้าว่าพวกเราว่าเป็นเทวบทุตรเทวดาพวกเราคงจะไม่ไปไม่เห็นที่เมืองกุติกุศินาราตะพางที่พระพุทธองค์ปริทิพานพวกเราคงไม่เห็นแต่นี้เราไปเห็นในสถานที่พระพุทธเจาา้าประสิทธิพานอย่างนี้ตรงนี้อย่างนี้ตะพางที่ตัดสรู้ตัดสรู้ตรงนั้นตรงนี้ที่ได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่ตอนละสังขารทิ้งธาตุขานของท่านทิ้งตรงนี้อย่างนี้นี่แหละก่อนที่พระพุทธองค์จะปริสิทิพาน ในวันเดือนหกเพนน์เนีพระองค์ก็นอนอย่างนั้นนอนอย่างที่พระพุทธสีหาสยญาติตรงหน้าของพวกเราเนี่แหละท่านนอนอย่างนี้แหละท่านบรรทมอย่างนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็ล้อมรอบและกัมันลกักษัสสัย์ก็ล้อมรอบที่สองจากนั้นฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาก็ล้อมรอบห่างออกไปอีกส่วนพระสงฆ์ก็อยู่ข้างในพระ อ, องค์ก่อนที่จะปรินิพานพระอานอนท์ก็ถาม หลายหลายอย่างใ น, ในพุทธประวัตินะตอนที่พระองค์จะปรินิพานพระอนุนถามว่าพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วจะให้พวกข้าพระองค์จัดการยังไงกับพระสลรละของพระองค์จะให้พวกข้าพระองค์จัดการอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเหมาะสมพระพุทธองค์บอกว่าอย่าเลย อ, น, อนุน เรื่องชาลีละของเราเป็นหน้าที่ของมรรดารษัตเป็นพวกกษัตร์เขาจะจัดการกับชาลีละของเราหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายให้ตั้งใจภาวนาชำระใจของตนเองให้บริสุทธิ์ให้หมดจดจากกิเลสนั้นแลคือหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายพระอนนท์ก็หยุดคิดจากนั้นก็ถามทูลถา ม, ถา ม, ถามพระพุทธองค์ว่าจริงอยู่พระเจ้ า, า่ะ ทีพระ อ, องค์ตรัสบอกอย่างนั้นก็จริงแต่ว่าถ้ามรนลักขั์ ถ, ถามพวกข้าพระ อ, องค์ว่าเมื่อพระพุทธองค์เปริเนี่ยานไปแล้วนะ่ะมันลักขัด ถ, ถามว่าจะให้พวกข้าพระ อ, องค์จัดยังไงจัดการยังไงกับพระจริแลของพระพุทธเจ้าท่านอานอน์และพวกข้าพระ อ, องค์จะตอบเขาว่าอย่างไงพระพุทธ อ, องค์บอกว่าเมื่อเขาถามอย่างนั้นตอบเขาได้นะ ให้จัดเหมือนกับพระศรีระของพระเจ้าจักรพรรดิพระอนุนก็เกิดมายุคนี้สมัยนี้ศรีระของพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่มีก็ถามว่าเขาจัดการยังไงกับพระศรีระของพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าค่ะพระพระองค์ก็บอกว่าทั้งที่พระองค์ก็เนี่ยท่านก็นอนอยู่อย่างนี้แหละท่านก็ตรัสว่าเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิสวรรคตหรือมรณภาพรุ่ยตายลง เมื่อพวกเซนาอมาตผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายก็ทำความสะอาดพัสรีละของพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าขาวซับฝาสาวมาพัน ร, รอบหนึ่งจากรัฐเอาสำลีชุบด้วยน้ำหอมน้ำมันชุบด้วยน้ำมันที่หงแล้วร้อยครั้งหงอย่างละเอียดหงตั้งร0อยครั้ง ซบด้วยสําลีแล้วก็พันรอบหนึ่งจากนั้นก็เอาผ้าขาวพันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาสําลีพันอีกรอบหนึ่งเอาผ้าขาวพันอีกรอบหนึ่งทําอย่างนี้ถึงห้าร้อยครั้งห้าร้อยชั้นจากนั้นก็นำจารีละของพระเจ้าจักรพรรดิไปวางลงในรางเหล็กจากนั้นก็เอาฝาเหล็กครอบออฝาเหล็กครอบออในหีบศพนั้นจากนั้นก็ยก ขึ้นไปในเชิงตะกอนคือขึ้นไปในกองไฟหรือว่ากองที่จะถวายพระเพลิงในพระเพิงหรือว่ากองที่พระเพิงนั้นประกอบไปด้วยไม้หอมนาน า, นานชนิดไม้จันทหอมไม้อะไรที่หอมเอามาเป็นฟืนที่จะบรรจุหรือเผาหรือจะประชุมเพลิงหรือถวายพระเพลิงพระเจ้าจากักรพรรดิอันนี้ก็คือพระพุทธองค์ท่านสั่งกับพระอา น, นุ์พูดกับพระอา น, นุ์ จากนั้นพระออนรนก็พอได้ยินรับไม่ได้แปลว่าสลดสังเวชใจอย่างมากในใจของพระ อ, อนรนเพราะพระ อ, อนรนเป็นพระ อ, อนุชาเป็นลูกผู้น้องของพระพุทธเจ้าอายุ80ปีเท่ากันกับพระพุทธเจ้าแต่พอได้ยินพระพุทธเจ้าสั่งเสียอย่างนั้นแล้วพระ อ, อนรนเดินกราบแล้วก็ถอยหลังออกมาข้างนอกไปร้องไห้อยู่ที่ ประตูบรรศาลาประตูประตูะตที่อต้อนรับแขกของเมืองแขกเมืองอที่นี่เนี่ยนะในอุทยานนั่นนะ่ะพระพุทธองค์ก็ถามว่าอานน์ไปไหนอพอถามหานะอาทั้งที่ พ, พระพุทธเจ้าก็ป่วยอย่แต่ไปเห็นพระอานน์พอถามเสร็จแล้วก็หาเงียบไปพระสงฆ์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระอานนนได้ไปไปเหนียว อ, อยู่ไอ ข้างศาลาที่อะไรทางขึ้นศาลานะไปร้องไห้อยู่ที่นั่นพระเจ้าค่านะน่พระนรนก็เป็นพระโสดาบันเนะนี่ยน้าตายังหลั่งไหลอายุถึง8ปดสิบปีแล้วนะค่อยๆว่าร้องไห้ถึงรับเลิกถึงพระพุทธเจ้าพระนรนคิดว่าเออพระพุทธเจ้าจะเปรติพานแล้วเรายังได้เป็นเพียงพระโสดาบันยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอระหรันต์ ใครหนอจะสอนเราอีกต่อไปเหมือนกับเราเด็กกำลังจะหัดก้าวเดินเท่านั้นพี่เลี้ยงก็จากไปเสียแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรอันนี้คือความวิตกในในใจของพระ อ, อ น, นุ์เพราะว่าท่านเพียงสุภ ส, สูดาบันท่านยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และใครจะเป็นคนแนะนำสั่งสอนของสั่งสอนท่านจากนั้นพระพุทธองค์ทราบว่าพระ อ, อ น, นุ์ไปร้องไห้อยู่ข้างนอก ก็เรียกพระอานุ์เออเอาไปเรียกพระอานนุ์มาพระสงฆ์ก็ได้ไปกราบพระอานุ์ขอให้กลับมาเพราะพระพุทธเจ้าถามหาจากนั้นพระอานุ์ก็เข้ามากราบอยู่ใกล้พระอานุ์พระพุทองค์ก็ถามบอกว่าอานุ์เธอปฏิบัติเราตถาคตมาเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่อายุข้าของเราตถาคต45สิบปีจนถึงบัดนี้พระอานุ์ปฏิบัติเราโดยสม่ําเสมอเป็นธรรม ไม่มีตำหนิเลยเอาเถอะท่านปฏิบัติตามแนวแถวพุทธเพราะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนก็มีการปฏิบัติอย่างนี้เป็นพุทธอุปถากแต่จากนี้ไปสามเดือนจากวันนี้ไปสามเดือนอาโนนจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จากนี้จากนี้ไปสามเดือนนี่พระองค์คือพยากรณ์หรือทานายพระอ น, อนุนคือพระพรุทธองค์ทานายสิ่งไหนลงไปแล้ว หไม่มีสองพระอนอน์ได้ยินเท่านั้นแหะพระอนอน์ก็ปลื้มใจขึ้นมาท่านี้มีกําลังใจขึ้นมาเออมรคนิพพานเราจะต้องได้สาเร็จมร์สําเร็จผลอีกสามเดือนต่อต่อ น, นี้ไปภายภาคนาอันนี้แหะคือความเป็นมาของออพระสีหสายาธที่จากนั้นพระองค์ก็สั่งสอนลูกศิษย์เออโค้ดได้ตรัสได้จนถึงจวนสว่าง พอโจนสว่างพระพุทธองค์จะปรินิพานแล้วเนี e ่ยนี่แหะท่านนอนสีหาสายาดอย่างนี้ล่ะปางปรินิพานเนี่ยท่านนอนตะแคงขวาอย่างนี้ล่ะจากนั้นท่านก็สั่งพระภิกษุสงฆ์สั่งอุบาสกอุบาสิกาสั่งลาเนี่ยพูดง่ายๆสั่งลาท่านบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะพวกเราท่านทั้งหลายร่างกายสังขารนี่ไม่เที่ยงนะร่างกายเนี่ยคือร่างกายของเราร่างกายของพวกท่านทั้งหลาย เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายในที่สุดไม่มีใครที่จะอยู่นานเท่านานเป็นอนันต์การได้ร่างกายของเราเนี่มีที่สิ้นสุดขอให้พวกท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้คือคำสั่งของพระพุทธเจ้าคาว่าประโยชน์ตนก็คือจะให้ขาดตกบวกพร่องหน้าที่การงานของเรา ก็ย่าให้ขาดตกบกพร่องและก็พร้อมกันการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาหน้าที่ของเราอย่าให้ขาดตกบกพร่องแล้วกะจากนั้นก็หน้าที่ของคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือชุมชนสังคมช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือโลกก็ย่าให้ขาดตกบกพร่องให้ทําไปด้วยกันจากนั้นเมื่อเราทําดีแล้วความดีนั่นแหละจะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเราท่านทั้งหลาย ถ้าว่าพวกเราทําไม่ดีสิ่งที่มัไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิคชนนะเนี่ยนี่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพานท่านก็นอนศีห์สายญาติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นอยู่ต่อหน้านี่แหละท่านพูดจนวาระวาระสุดท้ายเอจวนจะสว่างอ่ขาขนาดวะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะ ขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่กละมาเถิดจากนั้นก็ปิดพระโอษฐ์เงียบไม่พูดอีกจากนั้นก็ทำการปรินิพานนี่ปรินิพานคือเข้าสู่นิพานเข้าสู่นิพานไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกเป็นอนันตการนิพานังประมังสุขขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพานังปรมังศูนยอย่างนิพานศูนย์ สิ่งที่จะทําให้เกิดนั้นคือกิเลสราคะโทสะโมหะสูนย์ออกจา ก, กจิตจากใจของพระพุทธเจ้าสูนย์ออกจา ก, กจิตจักใจของพระอรหันต์แล้วูนหมดแล้วสิ่งที่มันช่วยชาติเสียหายก็ oh รากิเลสราคะโทสะโมหะโลภโภทโลงนะศูนย์ออกจากใจพระอริยะเจ้าท่านก็เข้าสู่นิพพานจากนั้นท่านก็ไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมกัน จะได้เวียนเทียนพระทักษิณรอบพระ พ, พัศรีระอของพระพุทธเจ้าพุทธปฏิมาที่พวกเราเห็นดูต่อหน้าของพวกเราอันนี้คือปางปรินิพานหรือปางสีหสายญาติกขอ็ขอให้พวกเราลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และลึกถึงคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในที่อุทยานของมันลกษัต ท, ที่เมืองกุสิธารา ในเมื่อปีเมื่อพศออจากนี้ไปเมื่อ 2,555 ปีให้หลัเนี่แหละอันนี้พวกเรามาลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนเร็วเไวไวเพราะเราล้ลึกถึงคุณงามความดีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทขนาดพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีสักดานุกภาพพอเขินเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้เป็นที่กราบไหว สักการะบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านก็ยังนิพพานนะท่านก็ยังจากโลกนี้ไปภาษาอะไรจะพวกเราท่านทั้งหลายจะไม่ตายอย่างนั้นมันเป็นไปได้เหรอเป็นไปไม่ได้ถึงจะตายยังไงกับพวกเราก็ขอให้ตายกับคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเอาไว้เพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกเอาไว้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกพบหน้าชาติหน้ามี ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทท่านอยากจะรู้อยากจะรู้ในรายละเอียดก็ขอให้ศึกษาหลักพระธรรมคำสอนของ พ, พระพุทธเจ้าพวกเราจะรู้ในพระสูตรพระปริยัติธรรมพระสูตรพระวินยัยพระอภิธรรมและพวกเราจะได้นำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราอีกสักวันหนึ่งเราก็จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านประพฤติปฏิบัติมา การกล่าวเรื่องการพูดในการแสดงธรรมกล่าวสมุดธนิยะกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศรีศรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และก็พุทธานุภาพพระพุทธศีหะหรือพุทธปางประนิพพานที่พวกเรามากราบมาไหว้ในวันนี้ขอให้คุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราไปสบแต่ความสุขความเจริญ ปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเถิด